ความสุขที่แท้จริงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบการที่จะทำให้เกิดความสุขได้เกิดความสงบได้จําเป็นที่จะต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม คือมีที่สงบสงบกายแล้วถึงจะค่อยสงบใจบาลีท่านภาษาบาลีท่านว่ากายวิเวกจิตวิเวกนะถ้าสถานที่ที่ร่างกายอยู่ไม่สงบเช่นอยู่ตามบาตามผับอยู่ตามศูนย์การค้า อยู่ตามโรงภาพยนตร์โงรงละครโรงคอนเสิร์ตอันนั้นจะมีแต่เสียงกระทึกค์คเครโคมจะไปหาความสุขจากความสงบในสถานที่เหล่านั้นไม่ได้ความสุขที่ได้จากสถานที่เหล่านั้นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขแบบควันไฟ หรือความสุขแบบตะคุบเงาเคยวิ่งตะคุบเงามั้งไหอเคยจับเงาได้ไหม <c oughs> เงามันทอดอยู่ข้างหน้าเราเราก็วิ่งไปจะไปเหยียบหัวมันพอไปถึงตรงที่มันอยู่หัวมันหนีไปตรงนู้นแล้ว <c oughs> เรียกว่าตะคุบเงาความสุขที่ได้จากสถานที่ ก็กระทึกทุกคนเช่นลงภาพยนตร์ลงละครลงเต้นรำลงน้ำชาโรงกาแฟล้วนเป็นความสุขแบบตะครุบเงาเวลาได้ไปก็มีความสุขพอกลับบ้านความสุขที่ได้จากสถานที่เหล่านั้นก็หายไป จึงต้องคอยวิ่งตะคุบเงากันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวอีกไม่กี่วัน <c oughs> อีกสองวันก็มีวันหยุดห้าวันนะเดี๋ยวก็ไปตะคุบเงากันตามที่ต่างๆบางคนก็เตรียมไปต่างประเทศกันบางคนก็ไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อไปหาความสุขกัน พอกลับมาทำงานความสุขที่ได้จากแหลงท่องเที่ยวก็หายไปหมดเหมือนกับไม่ได้ไปไปกับไม่ไปไม่ต่างกันต่างกันตรงที่เสียเงินเสียทองหมดเงินหมดทองไปแล้วก็มีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย เหมือนตอนที่ยังไม่ได้ไปอันนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่หาง่ายที่สุดเป็นความสุขที่เราหากันมาตั้งแต่เกิดเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงกันว่าหากันอย่างไร ว่ามีหรือไม่ไม่มีใครรู้ถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์จะไม่มีใครบอกให้รู้ถึงความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความสงบของใจการใจจะสงบได้ สถานที่ที่กายอยู่ก็ต้องสงบก่อนกายวิเวกจิตถึงวิเวกผู้บำเพ็ญหาความสุขทางใจจึงจำเป็นที่จะต้องปลีกวิเวกไปหาที่สงบไปอยู่ตามลำพังเพราะถ้าอยู่ด้วยกันหลายคนก็จะไม่สงบ ก็จะมีการพูดกันมีการชวนกันทำกิจกรรมอะไรต่างๆเช่นคุยกันก็ต้องหาน้ำชามาดื่มหาอะไรมานับประทานกันหรือ <c oughs> สมัยนี้ก็มีเครื่องที่สิ่งที่มาคอยรบกวนใจคือโทรศัพท์มือถือ พอเปิดก็เหมือนกับเอาตัวเองไปอยู่ในที่กระทึกคึกข่มพอในมือถือก็มีบันเทิงชนิดต่างๆให้ดูมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆให้คิดถ้าใจคิดแล้วใจก็จะไม่สงบนอกจากไปอยู่ที่สงบ ที่ไม่มีอะไรจะมาคอยกระตุ้นความคิดแล้วใจก็ยังไม่ยอมหยุดคิดอยู่ดีเพราะยังไม่เคยฝึกให้หยุดคิดใจนี้ค่อยคิดมาเป็นเวลาอันยาวนานไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นชาตินี้เป็นเสี่ยวหนึ่งของเวลาของ จิตใจที่อยู่กับความคิดเนี่ยจิตใจนี้มีการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นเวลาเป็นเป็นหลายครั้งหลายหนไม่ใช่เป็นครั้งนี้ครั้งแรกหรือครั้งเดียวเป็นหนึ่งในแสนล้านครั้ง เราจะเอาแสนล้านมาคุณแสนลาน้านครั้งก็ได้ใจมาเกิดแล้วทุกครั้งที่มาเกิดก็เริ่มคิดตั้งแต่เกิดคิดหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาให้ความสุขพอเคยหาความสุขแบบนี้มาแต่ดั้งเดิมเคยหาความสุขจาก สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นับตั้งแต่เป็นทารกนี่ก็ร้องหาความสุขจากสิ่งที่เห็นด้วยตาสิ่งที่ได้ยินด้วยหูพ่อแม่จึงมักจะต้องหาของเล่นมาให้เพราะถ้าไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังแล้วก็จะร้องไห้ จะสร้างความลบลอกวนใจให้แก่พ่อแม่พ่อแม่เลยต้องคอยหาสิ่งต่างๆมาหลอกมาล่อให้หยุดร้องไห้ความจริงมาตอบสนองความต้องการของความคิดเนี่ยคิดอยากจะเห็นรูปคิดอยากจะได้ยินเสียงพอมีรูปมีเสียงให้ดูให้ฟังก็มีความ เพลิดเพินมีความบันเทิงใจไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวไม่นานก็เกิดความเบื่อหน่ายเวลาเห็นอะไรซ้ำซ้ำซักซากเวลาได้ยินอะไรซ้ำซากซักซากก็เบื่อเบื่อก็ต้องหาของแปลกของใหม่มาดูมาฟังกันไปเรื่อยเวลาถ้า ได้ดูได้ฟังตามความต้องการก็จะมีความเพลิดเพลิน ม, มีความสุขเวลาที่ไม่สามารถหาสิ่งที่ต้องการได้เวลานั้นก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจอารมณ์ไม่ดีนี่เป็นผลที่เกิดจากการ ไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะหามาได้มากได้น้อยเพียงไรไม่ช้าก็นานมันก็จะเบื่อเบื่อก็ต้องหาของใหม่มามาแก้ความเบื่อของใหม่ที่ได้มาเดี๋ยวต่อไปก็กลายเป็นของเก่าของเบื่อต่อไปก็ต้องคอยหาของใหม่มา เรื่อยๆมาแก้ความเบื่อกับของเก่าแล้วสักในที่สุดก็จะไปหาของใหม่ที่มีพิษมากขึ้นเอตอนต้นก็เอาแต่ของที่ดูที่ฟังไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยอของที่กินที่เดืมไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัย เช่นขนมขเครื่องดืม่มต่างๆที่ไม่มีสารเสพติดต่อไปเบื่อเครื่องดื่มขนมอาหารที่ไม่มีสารเสพติดก็มีคนมาเสน อ, อเครื่องดืม่มเครื่องอะไรเครื่องดืม่มเครื่องรับประทานเครื่องดมที่มีสารเสพติด ที่ให้ความรู้สึกสุขมากขึ้นก็ไปลองเสพกันเสพยาเสพติดต่างๆพอเสพแล้วทีนี้มันก็ติดและเวลาไม่ได้เสพก็จะมีความทุกข์ทรมานใจถ้าเสพมากเกินไปก็ทำให้ตายได้ นี่คือโทษของการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะนำไปสู่ความหายนะต่อไปเพราะความอยากที่จะเสพของแปล ก, ก, กใหม่ๆที่ไม่เคยเสพมันจะคอยยั่วยวนกวนใจอยู่เรื่อย ถ้าไม่รู้จักหาข้ามจิตใจถ้าเป็นคนที่โชคดีหาเงินได้มากหาเงินได้ง่ายเช่นบรรดาดาราภา พ, พยนตร์ต่างๆบรรดานักร้องต่างๆพวกนี้มีรายได้ดีแล้วก็มีการความเครียดกับการหารายได้ เครียดเพราะกลัวจะหมดชื่อเสียงกลัวจะไม่มีไรายได้เข้ามาเพราะอาชีพของนักแสดงนี้อาศัยความชื่นชมของชาวชาวบ้านถ้าเขาเบื่อก็จะไม่สามารถที่จะหางานมีงานทำได้ ความเครียดนี้ก็เลยบังคับหรือผลักดันให้ไปหาสารเสพติดต่างๆมาบรรเทาความเครียดให้กก่ใจพออาศัยสารเสพติดเหล่านี้มันก็ต้องใช้มากขึ้นตามลำดับเพราะว่ามันเคยใช้ระดับไหนนะ มันจะไม่ค่อยรู้สึกออมีความออสุขถ้าไม่เพิ่มปริมาณของสารเสพติดของสิ่งเสพติดนะเออช่นสุราอันนี้ตอนต้นก็เดิมแก้วเดียวก็เมาต่อไปแก้วเดียวรู้สึกเฉยเฉยร่างกายปรับรับกับออระดับของสารแแนวคอลโคโอ์ได้ เลยไม่รู้สึกเหมือนเมาเหมือนกับเดิ่มข้างแรกถ้าอยากจะเหมือนเมาก็ต้องเดิมเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็นสองแก้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องเพิ่มเป็นสามแก้วสี่แก้วถึงจะเหมือนเมาถึงจะหายเครียดที่ดื่มเพื่อหายเครียดเพราะเวลาเมาแล้วมันก็ไม่คิดเรื่องวุ่นวายใจต่างๆ ไม่คิดอย่งเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆเรื่องปัญหาต่างๆแต่เดี๋ยวพอหายเมาก็กลับมาคิดเรื่องเดิมก็ไม่อยากจะคิดอีกก็กลับไปเมาต่อเลติดเป็นคนติดติดเขาเรียกติดเหล้าติดสุรา อย่ดาราภาพยนต์นี้บางทีตอนต้นก็เริ่มที่สุราแล้วต่อไปก็ไปที่ยาเสพติดชนิดต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาโผล่อยู่แถวเมืองไทยมาบำบัด ต, ตามสถานที่บำบัดเมืองไทยนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นสถานที่บำบัดพวกที่ติดสารเสพติดต่างๆ ตามเกาะตามเกาะเลยเขามีรีสอร์ทสวยๆงามๆให้ไปอยู่หาที่สงบให้อยู่ไกลจากสารเสพติดสิ่งเสพติดต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้แล้วมันอดไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้ถึงพวกที่ติดสารเสพติดต่างๆเนี่ยต้องเข้าสถานบำบัดกัน แต่มาตรฐานบำบัดก็บําบัดได้ช่วยระดับหนึ่งคือให้ได้อยู่ห่างไกลจากสารเสพติดแล้วทําใหา้ความอยากที่จะสเสพสารเสพติดมันลดน้อยลงไปแต่พอกลับมาอยู่ที่เดิมอยู่ในแวดวงที่เคยอยู่ที่มีสารเสพติดรอบด้านมีคนเสพรอบด้าน เดี๋ยวเพื่อนฝูงมาชวนไปเสพอีกถ้าใจไม่หนักแน่นพอหรือถ้าไปเจอความเครียดไปเจออะไรต่างๆขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ไม่ผลกลับไปเสพอีกแล้วก็บางคนก็เสพจนกระทั่งตายไปมีข่าวข่าวอยู่เรื่อยดาราภาพยนตร์นักแสดงศิลปินต่าง มักจะตายกันตายเพราะติดสารเสพติดชนิดต่างๆสารเสพติดมีทั้งกระตุน้นเอมีทั้งกล่อมถ้าใจวุ่นวายก็เอายาสารมากล่อมให้หายวุ่นวายพอหายวุ่นวายก็รู้สึกเบื่อๆก็หาอะไรมากระตุ้นให้มันเอาทั้งสองอย่าง เอาอยาสาเอาสารเสพติดที่เป็นพิษเป็นถ่ยเข้าไปในร่างกายมากๆร่างกายก็รับไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องตายไปเพราะว่าไม่เอาเข้าไปก็ไม่ได้ขาดสารเสพติดก็ทุรนทุรายทางจิตใจไม่ใช่ทางร่างกายจิตใจมันพอมันติดแล้วตั้นหาความอยาก พอมันมันความอยากมากๆแล้วมันไม่ได้เสพตามที่มันต้องการนี่มันจะ <c oughs> ทรมานใจมากนะนี่คือสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขกันแล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไป ไม่ว่าจะมีเงินมีทองมากน้อยเพียงไรยิ่งมีมากยิ่งมียิ่งเป็นยิ่งมีโอกาสที่จะไปติดสารเสพติดสิ่งเสพติดถ้าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจคนที่มีศาสนาถึงแม้ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาเขาก็สอนไม่ให้ไป เสพยาเสพติดกันถ้ามีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็อาจจะปลอดภัยเวลามีความเครียดก็อาศัยวิธีของศาสนากายความเครียดแทนที่จะไปใช้วิธีที่ง่ายที่ที่เป็นพิษเป็นภัย วิธีของศาสนาคลายความเครียดก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับง่ายกับระดับยากระดับง่ายก็คือให้เวลามีความเครียดไม่มีความสุขก็ให้ไปทำบุญทำทานด้วยวิธีการต่างๆทำงานสาธารณะประโยชน์ก็ได้ ไปเป็นอาสาสมัครชอบช่วยเหลือใครก็ลองไปทำแบบนั้นชอบช่วยเหลือสุนัขชอบช่วยเหลือแมวบางคนก็มีความสุขกับการไปช่วยเหลือผู้บางคนก็มีความสุขกับการไปร่วมกตัญญู่ไปปอเต็กตึงไปช่วยหน่วยกู้ภัย ถ้าช่วยเหลือคนที่อ่มีภัยต่างๆภัยน้ําท่วมภั ย, ยไฟไหม้ภัยอะไรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือก็ไปเป็นอาสาสมัครดีกว่าอยู่เฉยๆหรือเวลาไปทําสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยกับจิตใจไปเที่ยวก็เป็นพิษเป็นภยัย ไปเสพยาเสพติดไปเสพสุรายาเมาหรือไปช้อปปิ้งหรือไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อการกระทำเหล่านี้มันก็กลายเป็นการเสพติดได้เพราะถ้ามันทำแล้วมันจะติดวคนเที่ยวมันก็จะเที่ยวอยู่เรื่อยๆคนชอบก็จะชอบอยู่เรื่อยๆ แต่มันก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงได้ความสุขแบบตะคุกเงาถึงต้องคอยทำซ้ำๆอยู่เรื่อยๆพอความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปเสพไปดูไปฟังไปซื้อข้าวซื้อของมาพอมันหมดไปก็ต้องกลับไปทำใหม่ มันก็จะทําอย่างนี้ไปจนกว่ามันจะมีอุปสรรคทําไม่ได้เป็ <c oughs> นเงินทองไม่พอใช่ <c oughs> ก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาได้พราะเมื่อเงินทองไม่พอใช้หาแบบวิธีสุจริตไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปหาแบบไม่สุดจริต <c oughs> ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม อันนี้ก็ตอนต้นเป็นผู้เสพยาต่อไปเงินไม่พอเสพก็เลยกลายเป็นผู้ขายยาแทนจำนายยาเสพติดแทน <c oughs> นล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเสี่ยงกับการถูกจับเข้าคุกเข้าตาราง <c oughs> นี่เป็นภัยต่างๆที่รบผู้ที่เสพความสุข ทางตาหูจมูกลินกายแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเศรตามความอยากถ้าปล่อยให้ความอยากเป็นตัวบงการแล้วแล้วก็มันจะสั่งให้เสพมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่ามันไม่มันไม่มันเหมือนตอนที่เสพครั้งแรก ถ้าอยากจะให้มันมันเหมือนข้างแรกนี้ต้องเพิ่มปริมาณของการเสพมันก็จะต้องเพิ่มไปเรื่อยๆเมื่อเพิ่มมันก็ต้องใช้เงินมากขึ้นแล้วก็ร่างกายก็รับสารพิษเข้าไปมากขึ้นเสียหลายอย่างเสียทั้งเงินทองเสียทั้งสุขภาพเ ส, เสียทั้งสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตก็เสียจิตใจจะไม่มีความมั่นมั่นคงมั่นใจเพราะคอยกังวลกับการหายาหาสิ่งที่เสบมาเสบอยู่นะเรื่อยๆกังวลว่าจะหาไม่ได้จะไม่มีเงินซื้อบ้างหรือร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยี่ยมีแต่ปัญหา ถ้าเราปล่อยให้ความอยากเป็นตัวบงการให้เราไปหาความสุขต่างๆเราต้องระมัดระวังเวลาที่เรามีรายได้ดีเวลาได้มากๆง่ายๆถ้าไม่รู้จักควบคุมความอยากเนี่ย ความอยากมันจะเอารายได้ที่เราหามาเนี่ยไปตอบสนองความต้องการของมันแล้วมันจะทำให้เราเครียดกับการต้องหาเงินมามาตอบสนองความอยากความต้องการอยู่เรื่อยๆถ้ามาศึกษาทางศาสน า, ศาทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้ ใช้เงินด้วยเหตุด้วยผลใช้ตามความจำเป็นอย่าไปใช้ตามความอยากเพราะความอยากนี่มันไม่มีประมาณมันจะเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยขอสินค้าอย่างเดียวกันนี่มันมีหลายราคาเช่นรถยนตน์มีตั้งแต่ระดับครึ่งล้านขึ้นไป จนถึงยี่สิบล้านสามสิบล้านสี่สิบล้านถ้าปล่อยให้เป็นไปตามความอยาก<ม>พอมีเงินมากความอยากจะซื้อของที่มีราคาแพงมากก็จะเพิ่มขึ้นก็จะมีขึ้นคอยขับรถราคาครึ่งแสนพอมีเงินล้านก็อยากจะขับรถราคาล้าน พอมีเงินห้าล้านก็อยากจะขับรถราคาห้าล้านขึ้นมาแตถ้าปล่อยให้ความอยากเป็นตัวบงการเป็นตัวบงการให้เราหาความสุขแล้วมันจะทําให้เราทุกข์มากต่อไปพอเราเคยใช้ของแพงๆแล้วถ้าเกิดมีรายได้ไม่ไม่มากพอเลย เราจะไม่อยากซื้อของถูกๆใช้แล้วทั้งๆที่ของถูกมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกับของแพงรถยนต์ราคาครึ่งล้านกับรถยนต์ราคาห้าล้านเนี่ยมันก็ขับไปไหนมาไหนได้เหมือนกันพารถพาไปไหนได้เหมือนกันเออนทางศาสนาทางพุทธศาสนานี่ ท่านสอนวิธีที่จะควบคุมความอยากให้มันอยู่เป็นต้นต้นบอลใสอย่าให้มันใหญ่เพราะใหญ่แล้วมีปัญหาใช้มปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านนี้เดี๋ยวถ้าปล่อยให้มันใหญ่ตามความอยากเดี๋ยวมันมันไปชนเพดานได้เขาถึงต้องคอยบอนใสมันต้องคอยตัดกิ่งตัดกา้านมัน <c oughs> อยู่เรื่อยๆ มันถึงจะไม่ใหญ่โตทางศาสนาก็ให้ใช้การตัดกิ่งตัดก้านของกิเลสของความอยากด้วยความใช้ความมากน้อยสันโดษมากน้อยก็คือเอาเท่าที่จำเป็นราคาน้อยนอยยิ่งน้อยเท่าไหร่ได้ยิ่งดีถ้ามัน <c oughs> ทำหน้าที่ที่เราต้องการให้มันทำได้ก็ใช้ได้แค่อาหารเนี่ย เราต้อตงการให้อาหารมันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ร่างกาย <c oughs> อยู่เป็นปกติสุขได้มันจะเป็นราคาห้าสิบบาทห้าร้อยบาทก็ให้เลือกเอาห้าสิบบาทดีกว่าเพราะกินได้ต้องสิบวันสิบครั้งถ้าเอาไละห้าร้อยบาทกินได้ครั้งเดียวเดี๋ยวอีกสิบวันอดจะเอาอยัางไงให้คิดอย่างนี้ดูบ้าง เพราะเงินทองมันไม่จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆมันไม่มีอะไรแน่นอนบางทีมันก็หยุดชะ ง, งักได้วันนี้มันอาจจะไหลมาเทมา <c oughs> ถึงมึงนี้มันอาจจะหยุดก็ได้เหมือนแม่น้ำลำคลองไปดูช่วงหน้าแล้งกับหน้าฝนดูยหน้าฝนนี่แม่น้ำลำคลองนี่เต็มตลิง่งล้นตลิงพอหน้าแล้งนี่ แห้งขอดถึงถึงถึงก้นเลยอันนี้ต้องคิดให้เป็นว่าเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนฉะนั้นเราต้องระมัดระวังถ้าเราอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะมันจะไม่แน่นอนเวลามันไม่ มานี่เราจะเดือดร้อน <c oughs> นี่ถ้าเรายัางต้องอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราหรือมาดูแลรักษาร่างกายของเราเราก็ควรจะใช้หลักของมักน้อยสันโดษแล้วความเครียดเกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกายนี้จะไม่มากครับ ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามความอยากมันก็อยากจะซื้อของแพงๆซื้อของหรูหราที่ให้ความสุขเดียวๆแล้วก็จะมาเพิ่มความเครียดให้ต่อไปเพราะการใช้เงินมากๆมันก็จะทำให้เงินทองที่มีนี่มันมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆ แล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถมีรายได้แบบที่เคยมีก็จะทําให้เกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้นแล้วพอเกิดความเครียดก็อาจจะให้ไปบรรเทาความเครียดด้วยการเสพสารเสพติดสิ่งเสพติดต่างๆเสพสุรายาเมาเสพยาเสพติดกัน นี่สำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากศาสนาผู้ที่มีเขาเรียกว่าแพ้ศาสนาเป็นโรคแพ้ศาสนาไม่ชอบศาสนาคิดว่าศาสนาเป็นของงมงายเพราะว่าไม่ได้ศึกษาศาสนาอย่างแท้จริงเห็นแต่ภาพของศาสนาที่ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของศาสนา เพราะทุกๆศาสนาก็มีผู้ที่นำเอาศาสนาไปบิดพบ้วไปประรรมจนผู้ที่ไม่ได้ศึกษาถึงแก่นของศาสนาเห็นแต่เปลือกเห็นแต่ภาพของศาสนาก็กลัวกันกลัวว่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งความจริงแล้วต้องเข้าไปศึกษาคําสอน ศาสนานี้เป็นเหมือนสถาบันให้ความรู้รู้วิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงถ้าไม่ศึกษาไปดูการกระทำของผู้ที่เขาเรียกตนเองว่าเป็นผู้นับถือศาสนาก็า จ, จะไม่ได้เห็นภาพที่แท้จริงของศาสนาก็ได้ ก็เลยอาจจะแพ้กลัวหรือแอนตี้ไม่อยากจะเข้าหาศาสนาใครชวนใครพูดเรื่องศาสนานี้จะลองเย่ขึ้นมาทันทีอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าศาสนานี้เป็นเป็นสถาบันให้ความรู้ที่ จะสอนให้รู้จักวิธีหาความสุขแบบไม่มีพิษไม่มีภัยหาความสุขแบบปลอดภัยแต่ต้องศึกษาคำสั่งคำสอนของศาสดาของแต่ละศาสนาแล้วถึงจะเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติต่างๆ ว่าทำไมต้องปฏิบัติแบบนี้แบบนี้เพื่อที่จะได้ป้องกันปัญหาป้องกันภัยไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาจะช่วยเราได้ถ้ามีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วจะปลอดภัยจากการไปติดการเสพ สิ่งต่างๆตามความอยากกันทุกวันนี้คนที่ไม่เข้าวัดไม่เข้าหาศาสนานี่มันจะหลงหลายข้างใครกับการไปหาสิ่งต่างๆมาบำรงบำเลอพยายามแข่งกันหาสิ่งที่แพงๆมาอวดกัน <c oughs> มันก็อาจจะสนุกสนานเพลิดเพลินไป แต่เวลาใดที่เกิดอุปสรรคขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ตอนนั้นจะเกิดความเครียดเกิดความเสียใจบางคนอาจจะเสียใจมากจนถึงกับฆ่าตัวตายครับมีเพราะไม่เคยพบกับความผิดหวังมาก่อนเคยอยากได้อะไรเคยอยากทำอะไร ก็ อ, อยากมีอะไรก็สามารถทําตามที่อยากได้แต่พอไปเจอปัญหาที่ไม่สามารถทําตามที่อยากได้ก็จะมีแต่ความเครียดขึ้นมาภายในใจถ้าเครียดมากๆก็อาจจะซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือถ้าอไม่ฉะนั้นก็อาจจะ ฆ่าตัวตายกันไปเนี่ยสาเหตุที่คนเราฆ่าตัวตายก็เพราะเนี่ยการไม่สามารถทําสิ่งที่อยากจะทําหรือได้สิ่งที่อยากได้กันหรือสูญเสียสิ่งที่ที่รักที่หวงไปพอไม่มีอะไรมาให้ความสุขกับใจน พอสูญเสียหรือไม่สามารถหามาให้และกลับตนได้ตอนนั้นก็จะมีแต่ความเครียดมีแต่ความเศร้ามีแต่ความเหงามีแต่ความว้าเหวถ้าไม่มีอะไรมาแก้ก็อาจจะทนไม่ไหวคิดฆ่าตัวตายกันอันนี้คือ ิของการหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้โดยไม่มีขอบไม่มีเขตปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความต้องการตามกำลังที่สามารถจะหาได้พอกำลังความสามารถที่จะหาได้มันหมดไปหรือมันสะดุดลงมันก็จะทำให้ เครียดขึ้นมาทำให้ทุกข์ทรมานใจขึ้นมาหรือทาไม่สะดุดก็อาจจะไปเสบของที่มันเป็นพิษเป็นภยัยต่อร่างกายกับจิตใจเสพสารเสพติดต่างๆเสพสุรายาเมาเสพการพนันเสพการเที่ยวเตรไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนอยิ่ง ถ้าไม่อยากจะเจอปัญหาคือความทุกข์ความทรมานใจเราต้องมาคอยอบนไซความอยากกันให้มันเป็นต้นไม้เล็กๆอยู่ในกระถางที่เราตั้งไว้ในบ้านได้อย่าปล่อยให้มันเจริญติบโ ต, ตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ทะลุเพดานทะลุหลังคาออกมา แล้วมันจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้สิ่งที่จะคอยบรรเทาหรือคอยคอยควบคุมความอยากก็ทำสองข้อเนี้คือมากน้อยสันโดษให้เอาน้อยๆเอาเท่าที่จำเป็นอย่าไปเอามากตามความอยากเพราะมันจะเพิ่มจะขยาย เช่นเสื้อผ้านี้เราต้องมีเหตุมีผลในการซื้อในการใช้เสื้อผ้าเสื้อผ้านี้พุทธเจ้าบอกว่ามีไว้เพื่อปกปิดร่างกายเพื่อป้องกันภัยที่จะมากระทบกับร่างกายภัยทางแมลงสัตว์กัดต่อยภัยทางความหนาวเย็นให้เราว่ามีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ เราต้องมีกี่ชุดนะถึงจะพอร่างกายมีร่างเดียวเราไม่ได้ใส่ทีสิบชุดร้อยชุดใช่ไหมความจริงมีแค่สามสี่ชุดก็พอชุดไว้ใส่ชุดไว้ซักชุดไว้เก็บสำรองอันนี้ก็พอหาชุดแบบที่ใส่ไปได้ทุกที่ทุกแห่งเลย เห็นมของผ้านี่ชุดเหลืองนี่ใส่ไปได้ทุกแห่งทุกคนไปงานได้ทุกงานงานศพก็ไปได้งานแต่งงานก็ไปได้งานวันเกิดก็ไปได้งานวันตายก็ไปได้หาชุดที่มันสามารถใช้กับงานต่างๆได้หรือถ้ามันไปไม่ได้ก็อย่าไปก็แล้วกันงาน จริงๆไม่จำเป็นจะต้องไปก็ได้อยู่บ้านก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้แสดงความเสียใจด้วยการโทรสัพ์ไปพูดคำสองคำก็ได้ไม่ต้องไปแสดงความเสียใจเสื้อผ้าถ้าเรารู้จักใช้แบบมีขอบมีเขนเนี่เราจะไม่มีปัญหากับเรื่องการซื้อเสื้อผ้า ไม่เหมือนคนบางคนนี่โอ้มีไม่รู้กี่สิบชุดตู้ใส่เสื้อผ้าไม่พอใส่เชื่อไหมต้องทำห้องทั้งห้องกลายเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะมันเก็บไม่ทำไมเวลาใส่มันก็ใส่ได้ชุดเดียว <c oughs> แต่พอมันเคยซื้อตามความอยากแล้วพอมันออกไปซื้อดอกไปตามศูนย์การค้าเห็นเสื้อผ้าชุดนั้นชุดนี้ใหม่ก็อยากได้ขึ้นมาทันที พอเวลาได้มามันรู้สึกมีความสุขมากแต่มันสุขเดี๋ยวเดียๆพอมันไปแขวนที่บ้านมันไม่สุขแล้วนะพออยู่ที่บ้านดูยังไงมันก็ไม่สุขเหมือนกับตอนที่มันอยู่ที่ร้านนี่แหละคือความอยากมันจะหลอกให้เราคิดว่าเรามีความสุขมากฉเราควรอย่าไปอย่าไปหาความสุขตามความอยาก ของตามความจําเป็นแล้วเราจะไม่มีอะไรมากดดันให้เราใช้เงินทองมากถ้าเราเกิดมีอุปสรรคในการหารายได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะว่ารายจ่ายเราจะไม่มากรายรับเรามากกว่ารายจ่ายแล้วถ้าเราเจรจาแล้วเร า, เาส่วนเกินนี้ไปขยาย ต่อก็ได้ไปลงทุนไปทำธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มเติมให้มีรายรับมากขึ้นหรือเอาไปเก็บไว้กินดอกเบี้ย ก, ก็ได้หรือซื้อหุ้นก็ได้หุ้นที่มีปันผลเยอะๆอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยเพราะรู้ว่า มีความมั่นคงในเรื่องของค่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองจะรู้ว่าเงินทองพอใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะเราจะใช้เงินแบบแรงงานขั้นต่ำแต่เราจะหาเงินแบบแรงงานขั้นสูงเพราะว่าแรงงานขั้นต่ำเขาเขาอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่กับแบบเขาไม่ได้ เขาก็มีร่างกายเหมือนเขาเหมือนเราร่างกายของเขากับร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าเขาใช้วันละสามร้อยได้ทําไมเราจะใช้วันละสามร้อยไม่ได้ทําไมเราต้องไปใช้วันละสามพันนี่แหละคือความมากน้อยมันจะทําให้เรานี่ประหยัดรายจ่ายได้อย่างมากมายแล้วมันจะทําให้จิตใจเราอไม่เครียด จิตใจเราจะสบายจะไม่เดือดร้อนเวลาที่รายได้อาจจะหดบ้างอาจจะลดบ้างหรือเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะไปทำงานไปหารายได้เราก็มีวิธีหารายได้แบบวิธีอื่นแบบที่ไม่ต้องทำงานก็ได้พอมีเงินมากขึ้นก็จะรู้จักวิธีลงทุนเงินด้วยการ ลงทุนในรูปแบบต่างๆซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินอะไรต่างๆมันก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอันนี้ก็เป็นวิธีคอยกำจัดความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปแต่มันก็ยังไม่หมด มันก็ยังจะคอยมายุมาอแย่เราอยู่เรื่อยเวลาที่มันมายุมาอแย่มันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกไม่มีความสุขมีเงินแล้วไม่ใช้ทีนี้ถ้าอยากจะมีเงินแล้วอยากจะใช้ให้มีความสุขก็ต้องเอาไปใช้ด้วยวิธีทำบุญทาทานอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปซื้อของเป็น พิษเป็นภัยต่อร่างกายและจิตใจคือพวกสารเสพติดสิ่งเสพติดทั้งหลายหรือไปเล่นการพนันไปเที่ยวเตรการใช้เงินแบบนี้มันจะกลายเป็นโทษต่อไปเอาเงินนี้ไปใช้ด้วยการทำบุญทำทานเราชอบทำบุญทำทานในรูปแบบไหนก็ไปทำในรูปแบบนั้น ถ้าเราชอบช่วยหมาก็ไปช่วยหมาชอบช่วยแมวชอบ <c oughs> ดย๋ยวนี้มีมีการช่วยเหลือหลายแบบด้วยกันช่วยเหลือคนติดคุกก็มีช่วยถ่ายชีวิตของสัตว์พวกวัวควายที่จะถูกเอาไปฆ่าปล่อยนกปล่อยปลาหรือช่วยคนยากคนจนช่วยคนพิการ ช่วยเด็กพิการช่วยเด็กที่ต้องการการสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษามีความสามารถที่จะเรียนแต่ไม่มีทุนศึกษาเนื่องจากบิดามารดายากจน ทำอะไรที่ทำแล้วให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาเนีย่ยการทำบุญเหล่านี้มันจะทำให้เรามีความสุขใจ <c oughs> มากยิ่งกว่าการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมามาเสพกันแล้วมันจะไม่มีพิษมีภัยเวลาเราทำแล้วมันจะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มทำให้เราไม่ค่อยอยากได้อะไร ไม่ค่อยอยากมีอะไรไม่ค่อยอยากจะไปไหนมาไหนไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขหรือไปอยู่วัดหรืออาจจะอยากจะไปอยู่วัดต่อไปก็ได้เพราะถ้าไปอยู่วัดก็จะได้เพิ่มความสุขจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่วัดไปอยู่ที่สงบ ไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆการทำบุญนี้มันก็จะช่วยลดความอยากที่จะไปหาความสุขทางด้านอื่นลงได้แล้วมันก็จะทำให้สามารถไปอยู่ตามลำพังได้ไปหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบต่อไปนี่คือ ขั้นตอนของศาสนาเบื้องต้นต้องคอยบ๊อควบคุมความอยากใช้เงินอย่าให้มันมากสร้างปัญหาให้กับเราต้องใช้หลักมักน้อยสันโดษใช้ในน้อ ย, อยหรือถ้าน้อยยังไม่ถ้าน้อยกว่าน้อยก็ต้องสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดน มีเท่าไหร่ก็ให้มีความยินดีความพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือให้พอใจกับสิ่งที่เราได้รับวันนี้อาจจะได้ร้อยบาทพรุ่งนี้อาจจะได้ห้าสิบบาทก็ให้สันโดษคือให้พอใจกับทุกระดับของสิ่งที่เราได้มาถ้าทําอย่างนี้ได้นะโอกาสที่ความอยากมันจะมาสร้างปัญหาให้กับเรานี้จะน้อยมาก เพราะมันจะโผขึ้นมาไม่ได้ความอยากก็คือความมักมากความจู้จี้จุกจิกอยากได้นู่นอยากมีนี่ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่มีไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับเนี่ยก็คือความอยากนี่เองดงนั้นถ้าเราใช้มักน้อยสันโดษได้เราจะควบคุมปัญหาเรื่องเงินทองได้แล้ว เราก็จะมีเงินทองไปทำบุญไปถ้าเวลาอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินทองเราก็จะมีเงินทองไปทำบุญได้แล้วถ้าเราอยากจะไปปีกวิเวกเราก็จะไปได้เพราะถ้าเราทำบุญเราจะไม่ค่อยมีความอยากจะไปเที่ยวไปทำอะไรอย่างอื่นอยากจะไปหาความสงบ อันนี้เป็นกระบวนการของศาสนาที่จะเด่งจิตใจให้เข้าหาความสุขที่แท้จริงเนี่ยความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี้อยู่ที่การไปปลีกวิเวกกายวิเวกแล้วจิตจะวิเวกวิเวกก็คือวังเวงสงบสงัดเอ ตอนต้นต้องหาที่สงบสงัดทางร่างกายก่อนเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาเป็นสถานที่ที่สงบก็ต้องระวังเพราะสมัยนี้วัดป่าวัดเขาบางแห่งก็กระทึกคึกโคมต้องดูความสงบเป็นหลักอย่าไปดูว่าเป็นวัดป่าวัดเขาบางทีวัดป่าวัดเขาก็เดี๋ยวนี้มีพิธีกรรมเยอะขึ้นมีกิจกรรม ให้คนหมู่มากทำกันมากขึ้นเพราะอย่างนี้วัดป่าวัดเขาคิดกันนะใครๆก็อยากจะไปวัดป่าวัดเขาก็เลยไปกันเยอะแยะวัดป่าวัดเขาที่เคยเป็นกายวิเวกก็ไม่วิเวกเสียแล้วเพราะมีคนไปกันเยอะก็ต้องไปเปลี่ยนหาวัดที่ยังไม่ดังวัดที่ยังไม่มีคนรู้จักวัดที่เงียบๆ เพื่อที่จะได้มาฝึกจิตวิเวกไปหากายวิเวกก่อนพอมีกายวิเวกแล้วทีนี้ก็จะสามารถมาสร้างจิตวิเวกได้คือมาทำใจให้สงบได้เห็นไว้เนี่ยนั่งฟังธรรมสับหลับสบายเลยที่สงบถ้าไปนั่งตามบาตามารผับนี่ตามโรงละครนี่ไม่หลับเนะ แต่พ่อมานั่งที่สงบนี้หลับที่หลับเพราะว่ามันไม่มีสติถ้ามีสติจะไม่หลับแต่จะสงบจิตนี้จะเป็นสงบสองแบบสงบแบบมีสติกับสงบแบบไม่มีสติสงบแบบไม่มีสติเราก็เรียกว่าหลับนอนหลับไร้ไร้สติ ถ้าเป็นสมาธิถ้ามีสติมันจะสงบมันจะไม่หลับมันจะนิ่งแต่มันจะรู้ว่าตอนนี้จิตนิ่งจิตสงบจิตไม่คิดจิตไม่ปรุงแต่งจิตไม่มีความรู้สึกวุ่นวายใจจิตมีความรู้สึกสบาย อ, อกสบายใจอันนี้ต้องมีสติคอยประคอบประครองใจการทำใจให้สงบนี้อย่านั่งเฉย นั่เฉยๆแล้วดูจิตไม่ได้ดูจิตแล้วจะไม่สงบเพราะจิตมันจะปรุงแต่งมันจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปถ้าปล่อยถ้าดูมันเฉยๆถ้าต้องการให้จิตมันหยุดคิดปรุงแต่งนี่ต้องให้มันคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้คิดอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้คิดอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ดูลมหายใจเข้าออก อย่านั่งเฉยๆเดี๋ยวนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตมันจะผลิตอาการแปลกๆต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็มักจะหลงไปงว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสวรรค์เป็นนิพพานเป็นนรกเป็นอะไรไปความจริงมันเป็นการฉายภา พ, พ ย, ายนตร์ของจิตมาหลอกเราเท่านั้นเองจิตนี้มีเป็นทั้งจอเป็นทั้งตัวมอนิเตอร์ตัวฉายภาพถ้าเราไม่คอยควบคุมมันเดี๋ยวมันก็จะผลิต นิมิตต่างๆผลิตความรู้สึกต่างๆผลิตรูปสียงรูปเสียงอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ไม่ฉลาดเราก็จะหลงไปคิดว่าตอนนี้เป็นโสดา อ, อย่างตอนนี้เป็นอะไรหรืออย่างเป็นเทวดาหรือเป็นพรม เดี๋ยวก็เป็นบ้าไม่ถามตัวเองเป็นบ้าเปล่าถ้าลองไปคิดนั่งคิดปรุงแต่งเางนี้แล้วแสดงว่าเราจะบ้าแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอะไรแล้วมันไม่มีอะไรการนั่งสมาธินี้นั่งให้มันสงบเท่านั้นเอง <S <S แล้วสิ่งทีต่างสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมามันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของจิตนี่แหละที่ไม่มีสติคอยค ว, ควบคุมบังคับมันมันก็ะไรผลิต เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นของแปลกของที่เราไม่เจอในชีวิตประจำวันเพราะช่วงที่เราอยู่ชีวิตประจำวันเรามีสติคอยควบคุมมันมันเลยไ ม, ม่มาผลิตของแปลกๆให้เราดูแต่พอเรามานั่งสมาธินั่งเฉยๆแล้วเราไม่ไปควบคุมมันตอนนั้นน่ะมันก็จะเริ่มเอาของแปลกๆให้เรามาดูแล้วเราไม่ฉลาดเราก็จะไปว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่กัน แล้วก็กลายเป็นบ้ากันต่อไปเนี่ยที่เขาเรียกว่านั่งสมาธิแล้วบ้าก็นั่งแบบนีนะน้ขอให้ทำความเข้าใจไว้ถ้าไม่อยากจะบ้าอย่านั่งแบบนี้ต้องนั่งแบบมีสติคอยกกับใจอย่านั่งดูจิตนะเพราะว่าถ้าดูจิตนะเดี๋ยวจิตมันจะหลอกเรามันจะทำให้เราบ้าได้ย้นการนั่งนี้เราไม่ต้องการดูจิตเราต้องการหยุดจิตต้องการควบคุมจิต ให้จิตสงบเพราะถ้าจิตสงบแล้วเราจะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเกิดจากการควบคุมจิตให้สงบและสิ่งที่จะควบคุมจิตให้สงบได้ก็คือสติวิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานเป็นเครื่องสร้างสติมีสี่สิบชนิดด้วยกันแบ่งเป็นกลุ่มพุทธา พุทธานุสติ 10, สิบกาสินสิบอสุภะสิบแล้วก็อย่างอื่นอีกประกอบรวมกันถึงสี่สิบส่วนที่เรารู้กันส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในอนุสติเช่นอนาปนาสติก็คือให้ดูลมหายใจตอนที่เรานั่งแต่ถ้าตอนที่เราเดินตอนที่เราทำงานก็ให้มีกายะกะตาสติ คือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายหรือถ้าเราเฝ้าดูไม่ได้มันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ใช้พุทธานุสติแทนก็ได้ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือให้สวดบทพุทธคุณไปก็ได้อิติปิโสภักควาอถ้าส่วนบทธรรมคุณก็เรียกว่าธรรมานุสติถ้าส่วนบทสังฆคุณก็เป็นสังฆานุสติไป นี่คือสติวิธีสร้างสติขึ้นมาต้องมีมีอะไรคอยบังคับให้ใจทําอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ปล่อยให้คิดแบบสเปสปะคิดไปเรื่อยเปื่อยเพราะมันจะคิดไปทางกิเลสแล้วจะคิดทําให้เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วจะทําให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ต้องฝึกสติด้วยวิด้วย กรรมฐานเหล่านี้ก็ใช้ไปตามความเหมาะสมต่อโอกาสเวลาอาจจะไม่ต้องใช้แบบเดียวอาจจะต้องเปลี่ยนบางอย่างก็ใช้แบบเดียวได้อย่างเดียวได้ถ้าพุโทโธนี่สามารถใช้ได้ในทุกกรณีไม่ว่าจะทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจเดินจงกรมก็พุโทโธไปนั่งสมาธิก็พุโทโธไปได้ แต่ถ้าดูลมหายใจนี่จะเหมาะต่อเวลาที่นั่งสมาธิเท่านั้นเพราะลมเป็นของละเอียดถ้าลุกไปทำอะไรไปเดินไปอะไรนี่ดูลมยากก็ต้องดูอย่างอื่นที่ง่ายเดินจงกรมก็ดูเท้าก็ได้ ถ้าทํางานก็ดูงานที่เรากําลังทําอยู่ขับรถก็ต้องอยู่กับการขับรถอย่าไปอยู่กับพุทธโธจนลืมเรื่องขับรถเดี๋ยวอะไรตัดหน้าก็จะหยุดไม่ได้นี่คือวิธีฝึกสติต่างๆที่เราต้องคอยฝึกกันอยู่เรื่อยๆก่อนที่เราจะมานั่งเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนเวลามานั่งจะไม่มีสติควบคุมใจนั่งเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ปล่อยให้ใจ คิดหรือปรุงแต่งอะไรขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะไปหลงคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาได้เอไม่นี่ไม่ใช่ผลจากการนั่งผลจากการนั่งมันต้องนิ่งสงบต้องเงียบต้องไม่มีอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมานอกจากตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้แล้วก็ความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนที่เรียกว่านัติสันติบาังสุ ข, ขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีจะอยู่จะเป็นผลที่เกิดจากการเราเจะเินสติในขณะที่เรานั่งสมาธิกันแต่ถ้านั่งยังไม่สงบก็สแสดงวสติยังไม่พอก็อาจจะไปเปลี่ยนอรลยบาบดหรือเวลาไปทำอะไรก็คอยเจริญสติอยู่เรื่อยๆควบคู่กับการทำอะไรต่างๆไป แล้วเดี๋ยวสติมีกําลังมากขึ้นก็จะนั่งให้สงบได้มากขึ้นไปตามลําดับ <c oughs> จนต่อไปมันก็จะสงบได้เต็มทนะีแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงพอเราได้ถึงความสุขอันนี้แล้วเราจะ มีกำลังใจที่จะทิ้งความสุขแบบเก่าไปหมดเลยความสุขที่ไลหาจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นรสจากการไปเที่ยวไปชอปปิง้งไปเสพอะไรต่างๆเราจะเลิกได้หมดเลยพร้อมลดบันต่างกันลดแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเนี รถของความสงบนี่แหละคือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงจะเกิดขึ้นได้ก็จากการที่เรามีความมักน้อยสันโดษรู้จักใช้เงินทองไม่ทําให้เราต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินทองจนไม่มีเวลามาทําบุญทําทานไม่มีเวลาไปหาที่สงบสงัดไปปีกวิเวกถ้าเราไม่ใช้เงินมากมักน้อยสันโดษ เราจะไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเวลาไปกับหางเงินทองเราจะมีเงินทองพอใช้พอที่จะมีเวลาไปปริกวิเวกได้ไปทำบุญได้ดนั้นดังนั้นเราต้องเริ่มที่มักน้อยสันโดษแล้วก็มีเงินเหลือใช้อยากจะมีความสุขก็ไปทำบุญถ้าไม่มีเงินทำบุญก็ใช้ร่างกายอุดทำก็ได้เป็นอาสาสมัครไปทำงาน เกี่ยวกับสาธานะกุศลต่างๆก็ได้แล้วจะให้ใจเราจะมีความสุขเราจะทำให้ความอยากไปเที่ยวอยากจะมีนั่นมีนี่มันไม่มันน้อยลงแล้วจะทำให้เราจะไปอยู่วัดได้ไปอยู่ที่สงบไปปีกวิเวกได้นี่คือขบวนการของการที่เราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ ก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิเิตพิจารณาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุระปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปฏิอิจิต um ังปฏทิต e ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันาราโสยะามณิโชติอราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีฆายุโกภวา อาพิวาทนสีลิตสานิจังวุธาปจายิโนจตารโอธรรมะวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา321ร้อยยีู่ทูบ สองร้อยเจ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบแปดรับฟังข้างบนนี้สามสิบหกคนรวมทั้งหมดห้าร้อยเก้าสิบสองครับวันนี้อาจารย์โกเมฆคำถามว่ะพูดเบาๆกา็ได้เสียงเรามันแบบแปดหลอดดยวยแล้วสอนทั <ını> ้งหมดอย่างนี้ารัเสียงเป็นอย่าี่อีกแล้ว กับเรียนท่านอาจารย์ตอนสมัยเด็กๆก็ได้เรียนทมตามอานวะัะสมัยบวชตอนอายุยี่สบก็เรียนตามนั้นทวนของเก่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วก็อสุภะที่อาจารย์พูดท้ายที่สุด ปฏิลมกลับไปกลับมาเกสาโลมานะคะทันตาตะโจแล้วก็บำเพ็ญเพียรทานสี่ท้ายที่สุดอา น, นิสงส์มันมาเกิดตอนแก่เนี่ยตอนอายุห้าหกเนี่ยจันเพิ่งมาเกิดทานนี่ได้มาแล้วเพราะคนเอาของไม้ที่บ้านเต็มไปหมดธรรมทานก็ได้แล้วเพราะทุกคนที่มีธรรมเห็นเราด้วยความมีเมตตาแล้วก็วิทยาทานก็ให้อยู่เป็นประจำโดยการสอนช่างทําผมเฟรีปัจจุบัน ทำตัวอภิญทานจนสำเร็จก็คือใครเยืมอีกไม่กลัวให้โดยให้ไปเลยไม่ต้องเยืมให้เลยแล้วไม่คิดจะตบเขาอีกแล้วแบบที่อาจารย์ดุโก้ครั้งที่แล้วแล้วก็ความรู้สึกอันนี้ทั้งหมดอยากถามอาจารย์ว่าพอมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจากอานิสงส์ที่ทำเนี่ยเราได้เห็นผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราจากนี้ไปมันจะถอยกลับไปเป็น ลักษณะของเปตาหนังเลยว่าเป็นอสุรกายหรือเป็นเดรัจฉานได้ไหมครับอาจารย์ยังได้อยู่เพราะว่าแล้วแต่ว่าเรายังเรายังควบคุมอารมณ์เราได้ตลอดเวลาหรือไม่ <c oughs> เกิดเวลามีเหตุการณ์มีอะไรที่มันมากระทุ้งจิตใจอาจจะระ ง, งับไม่ได้ครับไปอีกไหมอาจารย์ใช่ยังยังไม่อยู่ในระดับที่แบบว่าจะปิดอบายได้ ผู้ทีจะยาปิดอบายได้นี้ต้องเป็นระดับพระโสดาบันขึ้นไปผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีต้องเห็นทุกในใจที่เกิดจากความอยากต่างๆและมีธรรมคือศีลสมาธิปัญญามาระงับดับ ความอยากเหล่านั้นที่ปรากฏขึ้นมาในใจความโลภความโกรธความหลงที่ปรากฏขึ้นในใจในขณะนั้นได้โดยที่ยอมตายคือมันจะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายระดับของโสดาบันนี่ครับเข้าใจข้อที่สงเวลาเราเพ่งจิตจิตนั้นนะ่ะทันสมัยวัยรุ่นสามารถจะนั่งอยู่ตรงนี้คิดไปละยองคิดไปเชียงใหม่ กลับไปกลับมาแล้วมันเด็กมากมันมีความกล้าความอยากความทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจิตทั้งๆ ท, ที่ตัวเนี่ยมันแก่ไปเรื่อยเพราะว่าคนโดยมากก็จะหนึ่งหนึ่งวันจนกระทั้งถึงร้อยขวบ100ร้อยกว่าขวบซึ่งจริงๆแล้วระหว่างจิตกับใจกับตัวเนี่ยมันมันแตกต่างกันเยอะมากอยากให้อาจารย์อธิบายคาว่าจิตเนี่ยทไมมันไม่แก่ตามตัวเลยครับอาจารย์ เพราะมันไม่มีรูปร่างมันไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสีดินน้ำหนุมไฟมันก็เลยไม่มีวันเสื่อมมันเป็นเหมือนท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้ามีวันแก่ไหมคุณเกิดมาตั้งแต่เด็กจนเดี๋ยวนี้ท้องฟ้ามันแก่ตามคุณหรือเปล่าท้องฟ้ามันก็ยังเป็นท้องฟ้าเหมือนวันที่คุณเกิดขึ้นมาเพราะท้องฟ้าไม่มีส่วนประกอบท้องฟ้ามันเป็นความว่าง ใจก็เป็นเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีส่วนประกอบจนกว่าเขาจะมรณะงั้นแล้วก็จิตเอกถึงจะกลับมาเป็นส่วนที่รวมเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมอาจารย์ไม่หรอกเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของร่างกายใจนี่เป็นเหมือนคนขับเหมือนคนขับรถยนต์นะรถยนต์นี้เขาประกอบด้วยวัตถุต่างๆแล้วคนขับก็มาขับก็คือจิตจิต พอรถยนต์พังไปจิตไม่ได้พังไปกับรถยนต์นะไม่ได้พังไปกับร่างกายจิตก็ไปรอาหาร่างกายอันใหม่มาขับใหม่อมแล้วเปลี่ยนร่างกายมาไปอย่างที่เมื่อกี้เทศเราไม่รู้กี่แสนล้านร่างกายมาแล้วอครับฟังเลยอย่างอีกไกลเลยข้อข้อที่สามความตายอยู่ข้างหน้าพี่น้องจะทะเลาะกันลูกน้องจะด่าว่ากันตีกัน รวยบ้างจนบ้างเก่งบ้างไม่เก่งบ้า ง, ม, ง, างมันก็เป็นเช่นนั้นเองตั้งแต่รู้จักกับธรรมะทําให้เรารู้สึกว่าปาณาณาและไม่ปาณาณาเมื่อไหร่เราโฟกัสไปที่มันยิงเล็งไปที่มันตัวเรานะกลับจะต้องมาทุกเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทําข้อนี้แล้วเราจะดาเนินไปข้างหน้าต่อไปเราจะต้องอาศัยอะไรต่อครับอาจารย์ ก็ต้องทำอย่างนี้ไปกับทุกเหตุการณ์ไไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ที่เราเพึ่งทำได้เพราะยังมีเหตุการณ์อย่างอื่นที่เรายังไม่รู้ว่าเราทำได้หรือไม่ได้ยังเรายังยังมีความปรารถนาไม่ไม่ปรารถนาอยู่ในใจเราอยู่แต่มันยังไม่โผล่ขึ้นมาในตอนนี้เดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาก็ลบกับมันด้วยทํามต่ออ่อานั่นต้องลบไปทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาจนกว่า มันไม่มีถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาบางทีเราต้องไปแหย่มันให้มันโผล่ขึ้นมาเช่นร่างกายเราเนี้ยเรายังปรารถนาให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเปล่าอเรายังไม่รู้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อไปหาที่ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายเราจะรู้ว่ายังมีปรารถนาในร่างกายอยู่หรือเปล่าขับเข้าใจจันแยกออก จิตกับใจกับกายคราวนี้เมื่อกี้ตอนตั้งแต่อาจารย์เทศมาทั้งหมดเรื่องเครียดเรื่องทําบุญเรื่องจิตลงมาถึงกระดักรับธรรมานุสติพุท ธ, ธานุสติสังฆานุสติแล้วก็มีเกษรกับอสุภัทราบดีแต่ว่าตรงเกษรไม่เข้าใจครับอาจารย์เรื่องเดียวอ๋อเกษณก็คือการใช้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่งไงเช่นสีต่างๆสีเขียวสีเหลืองสีแดงเราสามารถใช้แทนพุทธโธได้ใช้แทนนมหายใจได้เล็งไปที่อะไรครับอาจารย์ที่สีไงเช่นเราชอบสีเขียวแล้วก็นึกหลับตาแล้วก็นึกถึงสีเขียวให้มันโผล<อ>่ก็ได้เรื่อยๆอาจารย์ อ, อย่างเงี้ยบางคนชอบพระพุทธโูกก็หลับตาแล้วนึกถึงพระพุทธโูกอันนี้ก็เรียกพุทธานุสติ แต่ถ้าชอบสีเขียวก็หลับตาแล้วก็พยายามนึกสีเขียวผลิตสีเขียวขึ้นมาในจอภาพของใจแล้วพยายามรักษาให้มันสีเขียวอยู่ไปนานๆนนจิตก็จะสงบเป็นสมาธิได้บางคนชอบสีแดงก็หลับตาแล้วก็นึกถึงสีแดงบางคนชอบสีขาวก็หลับตานึกถึงสีขาวนี่เรียกว่าเกษมโอเคหลักซาปาระจย์วันนี้ได้สัพ์เพิ่มอีกคหนึ่ง นัตเิสันติและปารมังสุขังไม่ใช่ปารมังปะรังปะปะรังปะลังสุขขังนะครับไม่ใช่ปรมังนัตเตสันติปะรังสุขขังปะลังสุขังอขอบพระคุณอาจารย์ครับหมดคำถามอ่ามีใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งใหม่ไปให้ถ้าไม่มีก็เอาคำถามทางบ้านต่อได้ คำถามจากคุณลดาวันการนั่งสมาธิจิตนิ่งแล้วจะมีความรู้สึกว่าเห็นแสงเทียนอ่อนๆนั่งแล้วนึกกลัวไม่รู้ว่าเกิดด้วยอะไรกรับเรียนถามครับก็เพราะไม่มีสติไงอะไรปรากฏขึ้นมาก็แสดงว่าจิตยังไม่สงบจิตยังปรุงแต่งอยู่ยังผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราอยู่ เห็นเราอย่าไปสนใจรีบกลับมาเจริญสติต่อมาดูลมต่อมาพุโทโธต่อจนกว่าจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่หรือนอกจากความสงบนอกจากตัวรู้ผู้รู้เท่านั้นแล้วก็ความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนถ้ายังไม่ถึงความสุขนี้ก็ย่าแสดงว่ายังไม่ถึงคำถามต่อไปจากคุณสมปองความหลง ต้องแก้ด้วยอะไรครับก็แก้ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยความหลงคือเห็นเห็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็จะคิดว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็บอกโอ้ย ได้มาแล้วจะมีความสุขใช่ไหมแต่งงานกันแล้วก็จะสุขกันไปจนตลอดใช่ไหมหนังมันจะจบตอนนั้นใช่ไหมพอไปได้แต่งงานกับนังเองแล้วก็อยู่กันไปจนวันอไม่มีวันสิ้นสุดนแต่มันไม่กี่ยถ้ามีภาคสองเดี๋ยวมันก็มีการตีกันแล้วมีการทะเลาะกันแล้วอว่ามันไม่เที่ยง คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งครอบครัวของเขาสนใจธรรมะและปฏิบัติธรรมกันทั้งบ้านน้องคนนี้มีพี่สาวสองคนเป็นโสดกันหมดไม่ได้แต่งงานพี่สาวก็ไม่ยอมให้น้องสาวมีแฟนด้วยบอกว่าจะหาทุกใส่ตัวไปทาไมแต่ในใจของน้องคนนี้เขาอยากมีครอบครัวอยากมีคนรัก พี่สาวยื่นคำขาดว่าถ้าหากมีแฟนให้ออกจากบ้านนี้ไปซึ่งน้องเขาตัดสินใจไม่ได้ควรทําอย่างไรดีครับระหว่างเลือกมาทางธรรมโดยต้องระงรับความอยากที่จะมีคู่หรือควรจะทําตามใจที่ต้องการดีแต่ก็ต้องออกมาดํารงชีวิตด้วยตัวเองครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะสู้กับความอยากได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้มันก็ต้องไปตามความอยาก ถ้าสู้ได้ก็ไม่ต้องไปวิธีที่จะสู้เอาความชนะความอยากได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติสมาธิและปัญญาทำใจให้สงบแล้วความอยากมันจะลดลงแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าชีวิตคู่นี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขหรือถ้าเห็นถ้าชอบแฟนก็พิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของแฟนะ ภาพที่ไม่สวยงามของแฟนก็อาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากจะมีแฟนก็ได้แต่ถ้าใช้ความอดทนอย่างเดียวเดี๋ยวสู้ไม่ได้ต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาช่วยคำถามต่อไปจากคุณชรินทิพย์หนูไปช่วยโรงครัวที่วัดทุกวัน<ม>รู้สึกว่างานภาวนาไม่เดินหน้าเลยเจ้าคะ่ะ อยากออกมาจากที่ครัวแต่กลัวคนเข้าใจผิดไม่สบายใจต้องทําอย่างไรดีเจ้าคะก็เรื่องของเขาเลยเขาจะเข้าใจผิดก็เรื่องของเขาอเราไม่ผิดสักอย่างเรามาวัดเพื่อมาภาวนาไม่ได้มาเป็นแม่ครัวเอทําเท่าที่คนจะทําชั่วโมงก็พอชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอแล้วก็ไปเปรี๊ยวเวกไปทํางานของเราไม่ใช่มาติดอยู่ที่ครัวทั้งวันทั้งคืนฮะ คำถามต่อไปจากคุณจันทรานั่งสมาธิทีไรจะหลับทุกทีเจ้าคะ่ะจะแก้ไขอย่างไรถ้าสวดมนต์ไปด้วยจะไม่หลับจะปฏิบัติแบบไหนดีเจ้าคะ่ะก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อนนะสวดไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันตื่นมันไม่ง่วงแล้วก็ค่อยหยุดสวดแล้วก็ดูลมหายใจต่อไปคำถามต่อไปจากคุณวิ การนั่งสมาธิระดับคณิกะสมาธิจะได้บุญทันทีไหมเจ้าคะได้ก็พอสงบปุ๊บมันก็ได้ปับ๊บแต่มันได้น้อยเหมือนได้น้ำสองสามหยดนี่ไม่เหมือนกับอัปปนาสมาธินี่ได้เป็นขันนยิ่งสงบนานก็ยิ่งได้บุญมากสงบไม่นานก็ได้บุญน้อยแต่ทั้งคณิกะทั้งอัปปนานี้ก็สงบเต็มร้อยเหมือนกัน ต่างกันตรงที่อันนี้กะมันแบบงูแลบลิ้นเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็ถอนออกมาส่วนอั ป, ปนานี้มันจะแช่อยู่นานกว่าคาถามต่อไปจากคุณใจเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงให้นึกถึงสีเขียวขึ้นมาในหน้าจอของใจยังไม่ค่อยเข้าใจครับต้องการถามว่าหน้าจอของใจอยู่ตรงไหนลักษณะเป็นอย่างไรครับอหลับตาเลยพอหลับตาป๊บก็จะ อยู่กับหน้าจอเลยหลับตาใหมๆ่ๆมันก็อาจจะมืดเ ม, มืออาจจะมีแสงอะไรที่มันค้างอยู่ในอยู่ในใจเช่นเราไปเห็นแสงอะไรมันหลับตาแสงนั้นมันก็ยังติดอยู่ในใจเราอยู่เราก็ต้องผลิตสีเขียวขึ้นมานึกถึงสีเขียวถ้านึกไม่ได้ก็หาสีเขียวกระดาษสีเขียวมาปะไว้ที่ข้างหน้าที่เราจะนั่งสมาธิก็ได้เราเพ่งดูสีเขียวด้วยตาก่อน เพ่งไปแล้วพยายามจำมันไว้ว่าเป็นสีเขียวแล้วทีนี้ก็หลับตาแล้วก็เพ่งสีเขียวให้มันปรากฏขึ้นมาในใจนึกขึ้นมาเพราะเหสีเขียวตามที่เรานึกจากภาพที่เราได้เห็นเวลาที่เราเปิดตาคำถามต่อไปจากคุณวาตอนกลับมาพักผ่อนที่บ้านไม่มีเรื่องคนเรื่องงานมาทําให้ทุกข์ใจเลยเจ้าค่ะแต่ถ้าแวบไปคิด เกิดความทุกข er ์ใจแบบนี้ถ้าเราออกจากงานเลยจะทำให้เราหายทุกข์ไหมเจ้าคะการออกจากงานเป็นหนทางดับทุกข right. ์หร <cut> ือเปล่าเวลาเรามีความทุกข์เราควรอยู่กับมันหรือเราควรหนีจากมันดีเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเรามีความจำเป็นจะต้องทำงานหรือเปล่าถ้าไม่ทำงานได้มันก็ดีกว่าทำนะเพราะเราจะได้เอาเวลาไป ทำบุญไปปฏิบัติธรรมที่จะมีประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าเรายังมีความจาเป็นต้องทำงานเราก็ต้องทำเวลามีความทุกข์กับงานเราก็ต้องหยุดคิดอย่าไปคิดถึงมันเวลาที่เราไม่ต้องคิดคิดเฉพาะเวลาที่เราต้องคิดหรือคิดแบบที่ทำให้เราไม่ทุกข์ก็ได้คิดว่ามันก็เป็นแค่ของชั่วคราวปัญหาอะไรต่างๆคนต่างๆมันก็เป็นของชั่วคราว ทุกอย่างเดี๋ยวมันก็มีวันจบมีวันหมดไปเราอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์ทำใจให้ยินดีตามมีตามเกิดคนเขาจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็เอาปล่อยเขาทำไปถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปห้ามตามเขาก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเราก็จะทุกข์น้อยลงเราก็ยังจะทำงานแบบไม่ทุกข์ได้ อาททำตัวเป็นแจวดีที่สุดคิดว่าเราเป็นแจวของบริษัทเราไม่ใช่เป็นผู้จัดการที่จะมาคอยควบคุมบังคับคนนั้นคนนี้เป็นแจวนี่มันไม่ต้องคอยมากังวลกับคนนั้นคนนี้ คำถามต่อไปจากคุณวันนิพาหลังจากที่เมื่อวานนิยมได้ถามถึงอาการเหนื่อยล้าทางกายมากๆเวลานั่งจิตจะสงบได้ยากโยมได้ไปลองฝึกสติแบบใหม่คือก่อนนั่งได้นอนพักผ่อนให้กายหายเหนื่อยแล้วฟังธรรมจนจิตใจเริ่มสงบลงแล้วค่อยนั่งปรากฏว่าจิตนิ่งขึ้นคิดฟุ้งซ่านน้อยลงแต่ยังนั่งได้ไม่นานแพ้เวทนา แบบนี้โยมฝึกฝนได้ถูกต้องแล้วหรือเปล่าเจ้าะ่ะก็ในระดับหนึ่งไงควรจะฝึกสติทั้งวันเลยนี่ไม่ใช่แต่เฉพาะก่อนที่เราจะมานั่งรั่หนึงเพราะมันเหมือนเติมน้ำมันได้ไม่มากมันก็วิ่งไปไม่ไกลถ้าอยากจะให้รถวิ่งไกลต้องเติมน้ำมันให้มันมากๆากสติเราเ็าต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆมันถึงจะมีมาก ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาก่อนที่เราจะมานั่งควรจะฝึกสติทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาเราก็พุโทโธได้เลยเวลาที่เราทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็อย่าไปคิดมันเวลาต้องใช้ความคิดก็หยุดพุดโทโธแล้วก็ใช้ความคิดไปกับงานพอไม่ต้องใช้ก็หยุดคิดแล้วก็มาพุโทโธต่อหรือถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุโทโธ ถ้ามันดูงานเฝ้าดูงานเฉยๆเดยไม่คิดก็ไม่ต้องพุทธโธถ้าอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลามานั่งมันจะสงบได้นานแล้วเวลามีเวทนามันก็จะสามารถใช้พุทธโธนิพพาเราผ่านไปได้พอมันจะไปยุ่งกับความเจ็บก็ใช้ให้มันดึงให้มันมาอยู่กับพุทธโธพุทธโธ พออยู่กับพุทธโธความเจ็บก็จะไม่มาลบกวนใจใจก็จะนั่งต่อไปรับผ่านความเจ็บได้คําถามต่อไปจากคุณจูนขณะที่เดินจงกรมซ้ายพุทขวาโธหรือซ้ายขวาซ้ายขวาแต่เหมือนกับว่าเราไปกําหนดมันให้เดินค่ะไม่สามารถเพียงดูเท้าที่เหยียบลงไปแล้วจึงพุทธโธได้ จึงหยุดพุโทโธแล้วจดจ่ออยู่ที่เท้าที่เคลื่อนไหวเท่านั้นพบว่าดีกว่าแต่ทาได้แป๊บเดียวก็ไปคิดเรื่องอื่นค่ะไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไรดีตอนพูดพุโทโธก็เดินไปพุโทโธไปและคิดไปค่ะก็คอยดึงมันกลับมาให้มันอยู่กับเท้าที่เราเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปมันจะคิดก็อย่าไปคุยกับมัน บางทีมันช้ามาคยชวนเราคุยแล้วก็อย่าไปคุยกับมันเราก็อยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเดี๋ยวใหม่ใหม่มันก็จะมามาคิดอยู่เรื่อยๆพอเราไม่ไปตอบโต้มันเดี๋ยวมันก็หายไปเองเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอยู่กับซ้ายขวาซ้ายขวาไปคําถามต่อไปจากคุณพีโกตอนนี้มีความคิดที่จะออกจากกามาคุณทาที่เราไปผูกติด ขอวิธีพิจารณาด้วยครับก็นี่แหละคุณห้ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนี่ยเหยื่อนี่มันก็ดูแล้วน่ากินไหมแต่ไปพอปลาไปฮุบเหยื่อเข้าก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวเปล่านะการมาคุณห้าก็เป็นยาเสพติดดีๆนี่เองมันมีแบบดุนแรงไม่ดุนแรง ถ้าไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงมันก็ไม่ดุลแรงเหมือนกับไปดื่มก็ดื่มสุราหรือไปเสพยาเสพติดแต่มันก็เป็นสารมันก็เป็นสิ่งเสพติดเหมือนกันเพราะมันเสพแล้วมันติดพอเที่ยวแล้วมันก็ติดนะพอเล่นการพนันมันก็ติดพอชอปปิ้งมันก็ติดนอะไรก็ตามที่เราทําด้วยความอยากมันก็จะติดนะถ้าเราทําด้วยความจําเป็นไม่ติดเพราะว่าถ้ามันไม่มีความจําเป็นเราก็ไม่ทํา ถ้าทำด้วยเหตุผลคือความจำเป็นพอจำเป็นจะต้องทำก็ทำไปพอหมดความจำเป็นก็ไม่ทำมันมันก็ไม่ติดแต่ถ้าทำตามความอยากแล้วมันจะอยากอยู่เรื่อยๆหมดแล้วเลยเเต้องพิจารณาโทษของการมมคุณฮะว่ามันมันเป็นการมโทษมากกว่าเป็นการมคุณแต่เราไปตั้งชื่อมันจะรู้ เพราเป็นการมวะคุณเราก็เลยชอบเหมือนเนาะมันเป็นกรรมวะคุณมันไ ม, ไม่ไม่คุณประโยชน์เนาะใช่มันมีคุณประโยชน์แบบเยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี่เองมันมีความสุขรับรั บ, รบใช่ อ, อยอมรับว่ามันมีความสุขไปเที่ยวมีใครไม่มีความสุขบ้างไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปกินไปดื่มมันสุขแต่เวลามันหมดแล้วเวลามันไม่ได้ดื่มไม่ได้เที่ยวมันรู้สึกยังไง ตอนนั้นหละมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันจะต้องเจอวันที่ไม่ได้เที่ยวแบบนานๆเช่นแก่หรือเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นอมภพกรรมภาพาอตอนนั้นเนี่ยมันจะคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะมันหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาอถ้าคิดแบบนี้แล้วมันจะได้กลัวกามาคุณฮะ เราจะไม่กล้าไปยุ่งกับกามาคุณฮะเหมือนกับสารพิษต่างๆที่เรามีกระโหลกศีรษะคขวยด้วยกระดูกติดไว้พอเราเห็นรูกนี้ปั๊บเราเราไม่เอาลไม่อยากจะกลายเป็นกระโหลกกระดูกไาวกระโหลกศีรษะเพรารู้ว่าถ้าไปบดละทางนู้นไม่เป็นไรนั่งไปเดี๋ยวอพอได้ยินบทยังมีคำถามอยู่เปล่า ไม่มีไม่มีก็จะได้ปิดฉากได้เพราะว่ามันบอกว่าหมดเวลาแล้วหมดแบตเตอรี่ <c oughs> <c oughs> ก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้นะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ